วันนี้ได้มีญาติโยมนำเอาลูปร่อของพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นที่เป็นพระอ า, าจารย์ใหญ่ของพระสายวัดป่าสายกรรมฐานมาประดิษถานไว้ที่บนศาลา จึงมีคนพุกพลาดมีการเดินไปเดินมามีการส่งเสียงดังพอสมควรจึงทำให้ไม่สามารถที่จะแสดงธรรมได้ก็เลยต้องนั่งรอไปสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้เสียงต่างๆนั้นสงบลง แล้วจะได้แสดงธรรมเพ่อเสียงนี้เป็นเหตุเป็นสิ่งที่จะรบกวนสมาธิของทั้งผู้แสดงและของทั้งผู้ฟังทำให้การแสดงการฟังนั้นไม่ราบรื่น ถ้าขับรถก็เหมือนกับขับรถบนถนน ค, คลุกข้าไม่ได้ขับบนถนนที่เรียบเวลารถยนต์วิ่งบนถนน ค, คลุกข้าก็ไปไม่ได้เร็วแล้วก็ไปไม่ได้สะดวกไม่เหมือนกับขับบนที่ถนนเรียบขับได้เร็วไปได้สะดวก ฉะนั้นการจะแสดงธรรมการฟังธรรมนี้จำเป็นต้องมีบรรยากาศที่เงียบสงบเพื่อจะได้ส่งเสริมการแสดงและการฟังให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิผลถ้า การแสดงและการฟังไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลก็สู้อย่าแสดงสู้อย่าฟังดีกว่านั่งสมาธิทำใจให้เนิ่งไปก่อนจะดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่นิ่งมากก็อย่างน้อยก็จะไม่ทำให้ฟุ้งซ่าน ไม่ทำให้วุ่นวายใจไปกับเสียงกระทึกคึกโคนต่างๆการแสดงธรรมนี้การฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมนี้ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจะว่าเป็นพระพุทธจะว่าเป็นพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาก็เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเกิดจากการปฏิบัติธรธธรมและเกิดจากการบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็มีการสั่งสอนถ้ยแผ่ ทำต่อไปผู้ที่บรรลุธรรมผู้แรกท่านแรกก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราที่ได้ส่งศึกษาได้ทรงปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมได้ตัสรู้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงบรรลุเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ทรงโปรดสัตว์ด้วยการแสดงธรรมให้แก่สัตว์โลกเป็นระยะเวลา45ปีด้วยกันพระพุทธกิจของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันก็จะมีแต่เรื่องการเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกตอนบ่าย ทรงแสดงธรรมให้แก่ศรัทธาญาติโยมนอนค่ำทรงแสดงธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณรในยามดึกทรงแสดงธรรมให้แก่เทวดาและในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งยานดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษ ในวันนั้นนี่คือพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญเป็นประจำทุกวันและข้อที่หก็คือการออกบินทบาทโปรดสัตว์เพื่อที่จะได้นาอาหารมาเลี้ยงร่างกายของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายของพระพุทธเจ้านี้เผยแผ่ธรรมให้แก่สัตว์โลก องของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงเครื่องมือของการแสดงธรรมองพระพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมอยู่ที่พระธรรมคำสอนถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมเราก็จะไม่มีวันรู้จักพระพุทธเจ้าเลยว่าท่านเป็นใคร ท่ามีความรู้ความความสามารถความวิเศษอย่างไรการที่เรารู้ความรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความสามารถของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้านี้ก็เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมให้สัตว์โลกได้รู้ได้ฟังกัน พอสัตว์โลกได้ยินได้ฟังได้รู้ทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงก็น้อมนําเอาไปปฏิบัติแล้วก็สามารถบรรลุถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงได้เช่นบรรลุถึงมรรคผลนิพพานบรรลุถึงการหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุถึง ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรคือความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขของพระนิพพานเพราะความสุขของพระนิพพาน ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้น Or. มีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มี ร, ism, ร่างกายก็ตามใจที่ถึงนิพพานแล้วใจที่เป็นนิพพานแล้วนี้จะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะตื่นหรือจะหลับไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายความสุขของพระนิพพานนี้อยู่ในใจตลอดเวลา ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เราหากันผ่านทางร่างกายเช่นความสุขจากการได้ลาบยศสรรเสริญความสุขจากการได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐพาต่างๆเป็นความสุขชั่วประเดียวประเดาเป็นความสุขแบบควันไฟ ได้มาแล้วก็จะค่อยๆจางหายไปอย่างรวดเร็วทำให้เราต้องแสวงหากันอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ให้อยู่กับเราไปได้นานๆหามาได้แล้วมันก็หายไปหมดไปหาใหม่ก็ต้องหาใหม่หาใหม่ได้มาแล้วก็หมดไปก็ต้องหาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันตาย และเมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องกลับมาหาใหม่เพราะความอยากที่จะหาความสุขเหล่านี้ยังมีอยู่ภายในใจจึงพาให้ใจมาเกิดมามีร่างกายใหม่ ม, มามีตาหูจ ม, มูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะต่างๆต่อไปการเกิดเลยต้องมีอยู่เรื่อยๆหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ยังมีความอยากที่จะหาความสุขจากภาพยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาต่างๆก็จะต้องกลับมามีร่างกายใหม่มาดิ้นรนต่อสู้เล้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วก็เอาร่างกายที่ สุขที่สบายนี้ไปหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากูเสียงกลิ่นลดผลพะละก็จะหาไปได้ในระยะหนึ่งช่วงระยะที่ร่างกายยังแข็งแรงยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแต่พอร่างกายเข้าสู่วัยชาราเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บ่ข้ได้ป่วย เข้าสู่ความตายเอร่างกายก็จะไม่สามารถหาความสุขให้กับใจได้อีกต่อไปตอนนั้นใจก็จะมีแต่ความทุกข์มีความเศร้าส้อยหงอยเหงามีความว่าเหวมีความซึมเศร้าบางท่านทนกับความทุกข์เหล่านี้ไม่ไหวก็ถึงกับฆ่าตัวตายกันไปพอ ความสุขทางร่างกายมันเป็นแบบนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวเมื่อเวลาที่มันไม่สามารถให้ความสุขกับใจได้ใจก็ต้องมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าคือได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าเราพวกเราสามารถมีความสุขแบบที่ไม่ทุกได้มีความสุขแบบไม่เจือจางไม่สูญหายมีความสุขที่ถาวรได้ความสุขที่เกิดจากการทำใจของเราให้สงบให้ระ ง, งับจากความอยากต่างๆนี่คือ ความรู้ที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นความรู้ที่จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขที่ถาวรที่จะให้ความสุขเราไปตลอดแต่ทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับความสุขทางร่างกายอต่อไปเพราะเราจะได้ไม่ต้องหาราบยศสารเสน ไม่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราแล้วถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบทำใจให้ระงับจากความอยากต่างๆนี่เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงค้นพบแล้วได้นำเอามาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาความเชื่อ น้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะได้บรรลุถึงความสุขอันนี้ก็จะกลายเป็นผ้าอาลัยตัสาวกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะช่วยเผยแผ่ความรู้นี้ให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ต่อไปนี่คือศาสนาพุทธศาสนาอยู่ที่การสั่งสอนอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติ อยู่ที่การบรรลุทำหลังจากที่ได้ปฏิบัติแล้วนี่แหละคือศาสนาไม่ใช่พระพุทธรูปต่างๆรูปหล่อของครูบาอาจารย์ต่างๆพระพุทธรูปหรือรูปหล่อของครูบาอาจารย์นี้เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์เท่านั้นเองเป็นเครื่องหมายให้เราได้ระลึกถึง พระพุทธเจ้าได้ระลึกถึงพระอาหารหันตสาวกให้เราเข้าหาตัวพระพุทธเจ้าตัวพระอาหารหันตสาวกด้วยการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระษาวกทั้งหลายแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เมื่อบรรลุแล้วเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าเราจะได้พบกับพระอาหารหันตสาวก นี่แหละคือศาสนาไม่ใช่ตัวพระพุทธรูปหรือตัวรูปหล่อของพระสาวกทั้งหลายแต่การมีก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรแต่ขอให้เรารู้ว่าไม่ใช่เป็นองค์จริงองค์แท้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นองค์จริงองค์แท้ของพระอาลหลนต่สาวกก็แล้วกันมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ดีตรงที่ จะได้คอยเตือนใจเราให้เราลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะต้องศึกษาที่เราจะต้องปฏิบัติที่เราจะต้องบรรลุเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นนี่คือหน้าที่ของพระพุทธรูปของรูปหล่อต่างๆของครูบาอาจารย์ของพระอาลายตระสาวกทั้งหลายรูปหล่อเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ ได้การบรรลุธรรมแล้วเมื่อเราบรรลุธรรมเราก็จะได้ช่วยเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่ต่อไปได้ได้ไปเรื่อยๆตามใดที่พระพุทธศาสนามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผ่ธรรม พระพุทธศาสนานี้จะคงอยู่ไปกับโลกไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดสิ้นพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่ตัววัดวาอารามไม่ได้อยู่ที่โบสถ์อยู่ที่เจดีไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปหรือรูปของครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนา ที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะในยุคแรกๆในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญทรงปฏิบัติทรงบรร ล, ลุและทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนยุคแรกๆ ก, ก็ไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีพระพุทธรูปต่างๆแต่มีพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าพูด ผู้ตัดสรุ้ธรรมผู้ตัดสรุม้มรรคผลนิพพานผู้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกแล้วพอสัตว์โลกได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมา กลายเป็นพระ อ, อริยสงสาวกขึ้นมานี่แหละคือส่วนประกอบของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถ้าตราบใดพระพุทธศาสนายังมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่ น่ามีพระอาหารหันตสาวกคอยนําเอาคําสอนคําสั่งของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนอยู่ตราบนั้นโลกก็ยังจะมีพระพุทธศาสนาไปได้เรื่อยถ้าถ้าตราบใดถ้าไม่มีพระธรรมคําสอนไม่มีการสั่งสอนไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมกันถึงแม้จะมีวัดวาอาราม แม้จะมีโบสถ์มีเจดีย์มีพระพุทธรูปพระพุทธศาสนาก็ถือว่าหายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่นี้เป็นเปลือกของพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังของพระพุทธศาสนาเพราะถ้ายังถ้าไม่มีการบรรลุธรรมแล้วศาสนาก็จะหมดไป ทำแท้เนี่ยอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุธรรมทำแท้ไม่ได้อยู่ที่ในหนังสือที่เราอ่านกันหนังสือที่เราอ่านกันนั่นเป็นเหมือนแผนที่ที่ชี้ทางบอกให้เราเข้าหาทำแท้กันเราก็ต้องมีแผนที่แต่ถ้ามีแผนที่แล้วเราไม่นำเราไม่เดินตามแผนที่เราก็จะไปไม่ถึงตัว ทำแท้ที่แผนที่ชี้บอกอเรานอกจากศึกษาแล้วเราจึงต้องปฏิบัติกันปฏิบัติกันจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุกันได้ เหมือนกับการศึกษาทางโลกเนี่ยที่มีระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนก็เป็นเอ่อเป็นขั้นความรู้ต่างๆที่ผู้ที่ศึกษาสามารถที่จะบรรลุถึงได้ถ้ามีการศึกษาการอย่างต่อเนื่องสี่ปีก็จะได้รับปริญญาตรี เรียนต่อเรียนต่ออีกสองปีก็จะได้ปริญญาโทรเรียนต่ออีกห้าปีก็จะได้ปริญญาเอกเป็นสิ่งที่มีอยู่และสามารถเข้าถึงได้ด้วยการบําเพ็ญด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษายั้นใดปริญญาของทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สี่ระดับ มีโสดาบันมีสกิดาคามีมีอนาคามีมีอารหันเป็นเป็นญาเหมือนกับเป็นญญาตรีโทเอกต้องศึกษาลริ่มเรียนเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าศึกษาแล้วยังต้องเอาไปปฏิบัติต่อถ้าทางปริญญาตรีโทเอกนี้เพียงแต่ศึกษาแล้วก็ไปสอบก็ถ้าสอบผ่านก็ ก็จะได้ปริญญาจะถือว่าการสอบนี้เป็นการปฏิบัติก็ได้เหมือนกันต้องสอบต้องเรียนก่อนเรียนแล้วแล้วก็ไปสอบพอสอบผ่านก็จะได้ปริญญาทำขั้นต่างๆก็เหมือนกันตอนต้นก็เรียนก่อนเรียนแล้วก็ต้องไปสอบไปสอบแล้วก็จะได้ปริญญาถ้าสอบผ่านเช่นทำทาขั้นแรกคือขั้นโสดาบัน การที่จะได้โสดาบันก็ต้องละส ก, กายติสกกะละวิจิกิจฉาเอละศีลพัตป arama าาให้ได้เอพอเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาว่าส ก, กายทิทิคืออะไรวิจิกิจฉาคืออะไรศีลพั ต, าาต์ป arama คืออะไรแล้วต้องใช้อะไรมาละสังโยตั้งสามนี้ ทำที่จะเอามาใช้ละสางโยน์ทั้งสามนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเช่นศีลก็คือขั้นศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยสิบเจ็ดสมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามัยะปัญญาถ้ายังไม่มีศีลสมาธิปัญญาในระดับเหล่านี้ ก็ยังจะไม่สามารถทำข้อสอบให้ผ่านได้ก็ยังจะไม่สามารถละสังโยชน์ทั้งสามได้คือสกายทิติวิจิกิจฉาศีลพัฒปรามา a ได้แต่ถ้าได้บำเพ็ญศีลให้สะอาดบริสุทธิ์จนสามารถที่จะนั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิได้แล้วก็ สามารถเจริญปัญญาให้เป็นภาวนามยปัญญาได้คือเห็นเห็นตาักได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าได้สักยะทิฏฐิก็คือการไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้านั่นเองยังเห็นว่าขันห้าคือร่างกายและเวทนาคือความเจ็บความรู้สึกทางร่างกายนี้ ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนเออเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราผู้ที่มีภาวนาเมยปัญญาจะสามารถเห็นขันหา้าเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นเวทนาคือทุกขเวทนาคือความเจ็บไม่ใช่ตัวเราของเราว่ามันไม่เที่ยง ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันเที่ยงหรืออยากให้มันมันเป็นไปตามคำสั่งของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะร่างกายแล ะ, ะทุกขเวทนามันจะไม่เป็นไปตามคำสั่งของเรามันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันร่างกายไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เวทนาไปห้ามมันไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ มันจะท่องทุกเมื่อถึงเวลาที่มันจะทุกเนแล้วไปสั่งให้มันไม่ทุกก็ไม่สามารถที่จะไปะยับยั้งมันได้ไปอยากให้มันไม่ทุกก็จะทําให้ใจทุกไปเปล่าๆการปฏิบัตินี้เพื่อละสังโยชน์เพื่อที่จะทําให้ใจไม่ทุกไปกับเรื่องของร่างกายเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนั่นเองถ้ามีปัญญาระดับภาวนาะไมยะปัญญา ก็จะเห็นว่าร่างกายว่าเวทนานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อ, อนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นตัวเราของเราก็จะทำให้เราทุกข์ถ้ายอมรับว่ามันไม่เที่ยงร่างกายมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตาย เวทนาเมื่อมันเกิดแล้วมันไปสั่งให้มันหายก็หายก็สั่งมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นของเราถ้าเรามองเห็นเราก็จะยอมรับความตายของร่างกายรับความเจ็บของร่างกายไม่มีความอยากเพราะเห็นแล้วว่าถ้าอยากแล้วจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เป็นสิ่งที่ ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่ใช่ความไม่เที่ยงของร่างกายไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายที่เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวที่อยากให้ร่างกายเที่ยงอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายอย่างแน่นอนไม่มี ไม่มีอะไรจะมาห้ามมาให้มันตายไม่ให้มันเจ็บได้ก็หยุดความอยากเสียไม่มีความอยากให้ไม่เจ็บไม่มีความอยากให้ไม่ตายพอไม่มีความอยากใจก็จะหายทุกข์กับร่างกายกับเวทนาเกิด ค, ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าได้ละส ก, กายาทิฏฐิละ ความเห็นว่าร่างกายความเห็นว่าเวทนาความรู้สึกของร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเป็นไปตามตามเรื่องของมันเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้เมื่อเห็นแล้วเราก็ปล่อยวางปล่อยด้วยการไม่ทำไม่มีความอยากกับร่างกายไม่มีความอยากกับเวทนาต่อไป ร่างกายจะเป็นอย่างไรเวทนาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปใจก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่ก็คือการทำข้อสอบเมื่อทำข้อสอบผ่านได้ก็จะรู้ว่าสอบผ่านแล้วได้บรรลุทำขั้นนี้แล้วถ้าเราปล่อยวางสักยะทิฏฐิได้เราก็จะละวิจิกิจฉาคือความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ เพราะเราจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นตายรักในขันหานั้นเองเห็นนันนี้จังทุกขังอนัตตาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงสาวกนั่นเองเราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระอริยาสารวกอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เองเมื่อ ป, ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะเห็นจะพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเอพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีต่อไปไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียเพื่อไปพิสูจน์ดูว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ ไม่ต้องไปที่สถานที่ประสูตรไม่ต้องไปสถานที่แสดงธรรมขั้งแรกไม่ต้องไปที่นิพพานไม่ต้องไปที่ตัสรู้เพราะรู้แล้วว่ามีแน่ๆพระพุทธเจ้าเพราะธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้ได้เปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ผู้ปฏิบัตินี้ปฏิบัติชอบก็จะไม่สงสัยว่าพระอริยสงฆ์คือใครก็คือผู้ปฏิบัตินี้ปฏิบัติชอบผู้มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าจากการปฏิบัตินี้เองอความสงสัยก็จะหายไปเอส่วนศีลพัตปาปรมานก็คือการทําพิธีกรรมสะเดาะครอบสะเดาะความทุกข์ต่างๆก็จะไม่ต้องทําอีกต่อไป เพราะรู้ว่าความทุกนี้มันดับไปด้วยการหยุดความอยากที่มีอยู่ภายในใจเวลาไปเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ไม่ถูกใจใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกเพราะอะไรเพราะไม่อยากจะเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ถูกใจนั่นเองเช่นพบกับความเสื่อมพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตายต่างๆ ก็จะทําให้ใจทุกข์ใจไม่สบายขึ้นมาแต่พอพิจารณาแต่พอมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็รู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เองก็เลยไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปเพราะสามารถหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เมื่อเจอความ ความความทุกข์ต่างๆก็จะรู้ว่าเกิดจากความอยากของใจก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆได้ด้วยการหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจก็เลยไม่ต้องไปทําพิธีสะเดาะข้อต่างๆเช่นเวลาไม่สบายก็ไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาวิธีสะเดาะข้อเวลาที่ ชีวิตตกต่ำเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องแต่ราวไม่มีความเจริญเลยออันนี้ก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้ารู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเจริญอยากไม่ตกต่ำนั่นเองแต่ก็ต้องแต่ก็เห็นด้วยปัญญาว่าชีวิตก็มีขึ้นมีลงมีเวลาเจริญก็สศขกันเวลาเสื่อมก็ทุกข์กันแต่ถ้ามีปัญญา ก็จะรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่เสื่อมนี่เองเมื่อถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากไม่เสื่อมด้วมันจะเสื่อมก็ต้องเสื่อมไปก็อยู่กับความเสื่อมได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไห น, นไม่จําเป็นจะต้องไปทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อไปสะเดาะเคราะไปสะเดาะความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆ อ, อ, อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทําข้อสอบ ขั้นต้นก็ต้องศึกษาก่อนว่ามีข้อสอบมีอะไรบ้างก็มีสามข้อในระดับของพระโสดาบันแล้วก็ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการทำลายในการละสังโยชนในการดับความทุกข์ที่เกิดจากการพบกับสังโยชนทั้งสามข้อนี้ก็คือพบกับสักยทิฏฐิวิจิกิจฉา ศีลพัตตาปรมารออก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเอศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวชสมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามายาปัญญาคือเห็นตายรักตลอดเวลาเห็นตายรักในขันห้าตลอดเวลาถ้าเห็นตลอดเวลาแล้วความทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะเวลาเกิดความทุกข์ใจก็จะปล่อย ใจจะละตันหาความอยากทันทีเพราะจะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากในขันห้าอยากให้ขันห้าเที่ยงอยากให้ขันห้าเป็นของเรานั่นเองก็จะสามารถละสักกายทิฏฐิได้ละสยะะสักกายทิฏฐิได้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมก็จะละวิจิกิจฉาได้ละศีละพัตรปรมาได้อันนี้ก็เป็นการ บำเพ็ญเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมเข้าถึงตัวธรรม เ, เนือ้อเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วเราก็จะสามารถที่จะเผยแผ่ธรรมนี้ให้แก่ผู้อื่นได้สามารถรักษาธรรมนี้ให้อยู่กับโลกนี้ไปได้ต่อไปออนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาหัวใจหรือตัวเนื้อของาศาสนาตัวของาศาสนา ไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุต่างๆไม่ได้อยู่ที่ตัววัดวาอารามไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่เจดีสารากุติไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปอยู่ที่ตัวธรรมที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาจากการปฏิบัติจากการบรรลุธรรมน่าจะอยู่กับโลกต่อไปได้ก็เกิดจากการเผยแผ่ธรร ม, มันนี้ ที่ได้จากการบรรลุธรรมถ้าเอาธรรมที่ยังถ้าเอาธรรมที่ได้จากการศึกษานี่มาเผยแผ่ยังจะไม่เป็นธรรมแท้เพราะว่าธรรมที่ได้ศึกษานี่เป็นเพียงแผนที่เท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นตัวธรรมไม่เหมือนกับตัวธรรมตัวธรรมนี้จะต้องเกิดจากนาําจากการศึกษานำเอาไปปฏิบัติ จากการเดินตามแผนที่คือสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาและสามารถหยุดตันหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้อันนี้ก็จะเข้าถึงธรรมแท้ธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ธรรมที่ให้ความสุขแก่ผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจึงไม่สงสัยว่าทำไมจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาทำไมจะต้องมีสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิทำไมจะต้องมีปัญญาในระดับภาวนามายปัญญาเพราะมันต้องเป็นสมาธิมีน่าเป็นปัญญาในระดับนี้เท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดปัญหาได้ทันท่วงทีถ้ายังเป็น ปัญญาระดับสุตตะหรือจริงตาอยู่จะไม่ทันการเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะดับไม่ทันหรือจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้แต่ถ้ามีปัญญามีสมาธิระดับอปปนาสมาธิปัญญาระดับภาวนาเมยัปัญญาะจะสามารถกำจัดความอยาก ได้ทันท่วงทีเวลาเกิดความอยากโผล่ขึ้นมาปั๊บก็จะตัดได้เลย <c oughs> นี่แหละคือตัวศาสนาที่แท้จริงอย่าไปกังวลกับการสร้างพระพุทธ ร, รูปต่างๆกับการไปสร้างรูปของครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าเราไม่มีปัญญาหรือเราไม่สนใจต่อการสร้าง ทาวนะวัต ถ, ถุาวลวัตถุต่างๆก็ขอให้เราเข้าใจไว้เถิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวหาของศาสนาโดยตรงเป็นเพียงส่วนประกอบเป็นเหมือนกับเปลือกมีก็ได้ไม่มีก็ได้นขอให้เราพุ่งไปที่ตัวศาสนาก็คือการศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วนาเอาคาสอนที่เราได้ศึกษานำไปปฏิบัติ เมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุธรรมเข้าถึงธรรมแท้ธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงกันเมื่อเราเข้าถึงธรรมแท้แล้วเราก็จะได้เข้าถึงตัวศาสนาเราก็จะได้รับประโยชน์ของพระศาสนาอย่างเต็มที่คือจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันหมด และเราก็สามารถที่จะเอาความเอาธรรมที่เราได้ค้นพบนี้ได้เข้าถึงนี้มาแบ่งให้กับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงต่อไปทาหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาแทนพระพุทธเจ้าสทนพระอรหันตสาวกที่ได้ธรรมาก่อนเราศาสนาก็จะอยู่ไปอย่างยาวนาน ถ้าเรามัวไปสร้างแต่โบสถ์สร้างแต่เจดีย์สร้างแต่วัดสร้างแต่พระพุทธรูปกันแต่ไม่สนใจให้กับการศึกษาให้สนใจกับการปฏิบัติไม่สนใจกับการบรรลุธรรมไม่สนใจกับการเผยแผ่ธรรมศาสนาก็จะมีแต่เปลือกจะไม่มีเนื้อผู้ที่เข้าหาศาสนาก็จะไม่มีความประทับใจจะไม่เกิดศรัทธา แล้วต่อไปศาสนาก็จะจางหายไปหมดไปแต่ถ้าตราบใดศาสนามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผท่ธรรมอยู่ผู้ที่ได้เข้าพบศาสนาก็จะมีศรัทธาที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามและบรรลุตามได้ศาสนาก็จะไม่เสื่อมจะไม่หมดไปจากโลกนี้ นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาของพวกเราที่วันนี้มีเหตุที่ทำให้ได้ต้องมาพูดเพราะมีผู้นำเอาอลูกหลอของพระอาจารย์มั่นมาถวายก็เลยมีความกระทึกคุกคมพอสมควรทำให้การแสดงธรมฟังธรรมไม่สามารถเป็นไปได้ ต้องรอให้พวกที่เขามาถวายข้าวของนี้กลับไปก่อนลายได้เอานำเรื่องนี้มาเป็นเหตุมาสแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อจะได้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องว่าศาสนานั้นอยู่ที่ไหนกันแน่การสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุรนติสากขลงเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตโตสาเพปุรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยทามณิโชติอระโสยทาสัพพิตโยวิวาจันโุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีที่ายุโกภวะอภิวาทานสีิทสะนิจังมุธาปจายโน ญตารุธ mm. ัมาวานติอายุวันโสุขังภาลัาำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจนกว่าเราจะเลิกเมื่อเราเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติการถามตอบ ตอนนี้ใครอยากจะถามก็ขอเชิญมาที่ศาลามีไมโครโฟนให้ท่านถามได้เลยมีอะไรถามเลยธรรมส ก, การ์ค่ะหลวงพ่ อ, เ, อ, อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูมาถามพระอาจารย์เรื่องเจริญสติเรื่องสมาธิแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าให้พุทโธตั้งแต่ตื่นหรือแม้กระทั่งเวลาขายของก็พุทโธได้ แล้ทีนี้หนูก็ใช้พุทโธเหมือนที่พระอาจารย์สอนก็กลับไปบ้านก็ใช้เป็นประจำพอมาวันเมื่อสักสองวันที่ผ่านมาจะมาขึ้นเขาเนี่ยค่ะก็ประมาณสักตีห้าพอ่านหนูก็เตรียมที่จะค้าขายก็มีเหตุที่ว่ามีแม่ค้านะคะเขาก็บอกว่าอันนี้เหตุก็คืออดีตก็คือคนที่เคยเป็นเคยคู่มวยกันนะคะแล้วก็บอกว่าเออเอ๋คนนั้นคนเนี้ยเขาคู่บ้านเธอประมาณว่านะคะแล้วหนูก็ฟังเขาจนจบหนูก็บอกว่า หนูก็นึกถึงคําพระอาจารย์ที่เรามาฟังเทศประจําว่าเราห้ามเขาพูดไม่ได้เจ้าคะ่ะแต่เราหยุดโกรธได้หนูเพราะแต่ก่อนหน้าที่หนูจะมาหยุดตรงนี้ได้หนูพุดโทมาตั้งแต่ตื่นแล้วคะ่ะแล้วโ ล, ล้วหนูก็บอกว่าปล่อยเขาเขาอยากจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาแล้วเขาบอกเอ้พี่เ อ, เอไม่ได้นะต้องไปด่าหนูบอกขอบคุณมากนูวัตสการ์ย่ะหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่ อ, อ, เ, อ, อเพิ่มเติมให้หนูหน่อยคะ่ะก็ทําต่อไปอย่าประมาททําได้ครั้งนี้แล้ว ก็ไม่ได้ไหมายความว่าครั้งต่อไปจะทําได้ถ้าเราไม่พูดโธรไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเราก็จะโกรธขึ้นมาได้แต่ถ้าเราพูดโธเราจะมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาพอใครพูดอะไรการทําอะไรเราก็จะไม่โกรธเพราะเราจะคอยห้ามใจเราเราจะไม่ไปห้ามเขาเขาอยากจะทําอะไรเขาอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพร้อมทําไปพูดไป กับยิ้ถามค่ะออพอดีพูดกันใกล้ใหมนะค่ะออพอดีจะพยายามเจริญอสุภะกันะะกรรมฐานแล้วก็มีนัดไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจว่าจะไปนะแล้วคนนี้อยากจะถามพระอาจารย์แนะนำนิดหนึ่งว่าเวลาไปถึงเนี่ยน่าจะทำอะไรบ้างก็ให้มีสติถ้าไม่มีสตินี่บางทีเห็นภาพขึ้นมาใจก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาต่างๆได้ บาที่อาจจะอยากจะอาเจียนขึ้นมาก็ได้บางคนก็เป็นลมเพราะเห็นภาพที่ะสะเทือนใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ลองทําการบ้านก่อนดูภาพไปก่อนก็ได้ดก็ไปในอินเทอร์เน็ตแล้วดูไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาไปก็ให้เปมีสติประครับประคองใจพุทโธพุทโธไปแล้วดูก็ดูไปถ้า ดูแล้วแล้วมีอาการรู้สึกไม่ดีก็หลับตาไปอย่าเพิ่งไปมองก็ได้เพราะว่าก็ดู youtube อยู่เวลาเขาทักผ่าศพกันแต่ถ้าดูได้โดยที่จิตใจไม่รู้สึกอะไรก็ดูไปศึกษาไปแล้วพยายามจดจำภาพที่เราดูไว้เพื่อที่เราจะได้มาใช้ต่อไปเวลาที่เราพบปะกับใครแล้วเราไปมนความรักมีความชอบเขาเราก็จะได้นึกถึงภาพ ในส่วนของที่ไม่น่าดูไม่น่าชมของเขามันก็จะทำให้เราตัดความรักความใคร้ในตัวเขาได้แล้วถ้าสวนในกรณีที่ว่ารูปภาพอะไรแบบพ OP ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันป o อ UP ขึ้นมาแล้วมันไม่ทำให้ใจเราเสียหายอะไรกใ็ให้มันขึ้นมาได้แต่ถ้ามันทำให้เราเสียหายหเราก็ต้องใช้สติหยุดมันก่อนใจพุโทโธพุโทโธไป เพความจริงเราก็ต้องการที่จะเห็นตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ใช้เป็นน้ำดับไฟของการมาราคะได้เวลาเห็นไขรปั๊บเกิดลักเขาชอบเขาขึ้นมาก็ให้มันป๊อปขึ้นมาเลยให้มันโผล่ขึ้นมาเลยพอโผล่ขึ้นมาปั๊บมันก็หายลักหายไข้เลย ก, กาบนรรมจารพระอาจารย์ครับผมอยากขอ ประสบการณ์ในการไปปฏิบัติเรื่องภัทษาของทาวารทั้งหเนี่ยไปกระทบอิตฉาภายนอกทําให้ผมเกิดไอ้ออกิเลส ท, ท, ที่ที่ยังไม่ค่อยเบาบางหรือว่าลดน้อยลงหรือหายไปเลยเนี่ยผมอยากจะไปนําไปปฏิบัติเพื่อให้ อ, อยากไม่อยากกิเลสแม่ให้เกิด อขอการาบเรียนธมรมการอาขอความรู้จากพระอาจารย์ในไปนําไปปฏิบัติครับขั้นต้นก็คือเราก็ต้องแยกตัวเราออกจากอายะธนะภายนอกคือเรามีอายตนะภายในคือเรามีตาหูจมูกลิ้นกายกับใจเราก็ต้องแยกมันให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทาพาก่อนด้วยการถือศีลแปดถือศีลแปนี่ก็จะทําให้เราแยก ที่อายตนะทั้งสองที่มักจะมามาพบปะกันแล้วทําให้เกิดกิเลสตัณหาตามมาเราก็ต้องแยกออกจากกันเหมือนนักมวยสองคนถ้าเราปล่อยให้มันอยู่บนเวทีมันเดี๋ยวมันก็ต่อยกันเราก็ต้องแยกมันมีกรรมการให้ฝ่ายหนึ่งไปนั่งอีกมุมหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมานั่งอีกมุมหนึ่ ง, น, งนี่ก็คือการถือศีลแปดเบื้องต้นเราต้องหยุดการสัมผัสให้ได้ เ, เวลาสัมผัสแล้วเรามักจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมาพระอุตตเจ้าเลยสอนให้เราปลีวิเวกให้ไปอยู่คนเดียวที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ให้ถือศีลแปดอย่าไปดูอย่าไปฟังอะไรอันนี้ขั้นที่หนึ่งเมื่อเรามีศีลมีไปไปเปลีปวิเวกได้ขั้นที่สองเราก็ยังต้องอาทาใจให้สงบ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็ตามแต่ใจเรายังนึกถึงมันอยู่เมื่อนึกถึงมันอยู่มันก็เหมือนกลับไปสัมผัสถึงแม้ไม่ได้เห็นกับตาเพียงแต่นึกนึกถึงแฟนมันก็เหมือนกับเห็นแฟนแล่ะเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์อยากจะไปหาแฟนขึ้นมาตอนนี้เราก็ต้องมาใช้การเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดอย่าให้คิดเช่นใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ เพื่อให้เราจะได้ไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผทธภัณฑ์พอเราไม่คิดแล้วมันก็จะไม่เกิดความอยากเกิดอารมณ์เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาจิตก็จะเข้าสู่ความสงบพอจิตสงบจิตก็จะมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็ยิ่งทำให้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้หายไปเลยแล้วพอออกจากสมาธิมาถ้าเกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนเรา ว่าการไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นการไปหาความทุกข์เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวพอได้มามันก็สุขพอมันหายไปก็จะทุกข์สู้อย่าไปหามันดีกว่าสู้อยู่กับความสงบอยู่กับการนั่งสมาธิดีกว่าอันนี้ถ้าเราทํานี้ได้ต่อไปเราก็จะกําจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้หมดไปจากใจได้ พอเรากำจัดความอยากได้แล้วต่อไปเราไปเจอรูปเสียงกลิก่นรสก็ไม่มีปัญหาเราก็จะมองได้มองเห็นหน้าแฟนก็จะเฉยเฉยมองเห็นกาแฟาก็จะเฉยเฉยมองเห็นเหล้าเห็นบุหรี่เห็นอะไรก็จะเฉยเฉยเพราะไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้แล้วเห็นก็ไม่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจอีกต่อไปเข้<ส>าใจไหมอ๋ <สา S 1> อครับอกได้ครับอนำไปปฏิบัติเพิ่มเติมครับโอเค มีใครอยากจะถามยังไหมมีคําถามทางบ้านวันนี้เข้ามากี่คนนะครั บ, รบวันนี้ทาง facebook ช่วงพระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ที่สามร้อยคนฮนะตอนนี้เหลืออยู่ร้อยร้อยแปดสิบคนครับอ่าส่วนทาง youtube ตอนที่พระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ที่สามสิบห้าคนฮนะแต่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่สนะี่สิบแปดฮะมีบรรหารเข้ามาไหมเป็นคำถามครับดีครับอ่า าาททีเป็นภาษาไยยอคําถามแรกจาก facebook ครับจากคุณนาราวันนี้รู้สึกปวดหัวมากเวลานั่งสมาธิรู้สึกปวดหัวเหมือนกันภาวนาไปนานก็หายปวดหัวเองนั่งสมาธิจนสงบนานที่สุดเท่าที่ทําได้มันคืออะไรครับคือความปวดหัวนี่มันอาจจะมีเหตุสองอย่างเหตุทางร่างกายกับเหตุทางจิตใจถ้าปวดหัวเพราะ เป็นเหตุทางจิตใจเครียดหรืออะไรพอเรานั่งสมาธิใจสงบก็หายเครียดอาการปวดหัวก็หายได้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วอาการปวดหัวหายไปก็แสดงว่าความปวดหัวของเราเกิดจากความเครียดเกิดจากกิเลสตัญหาของเราแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วอาการปวดหัวยังไม่หายก็อาจจะเป็นสาเหตุทางด้านร่างกายบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็อาจจะต้องไปให้หมอเขาวิเคราะห์ดูว่าเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขไปตามเหตุตามผลต่อไปคําถามต่อไปจากคุณลาวันครับจาก youtube ครับดิฉันมีสติอยู่ตลอดแต่ไม่จําเป็นจะไม่พูดไม่จําเป็นไม่ถามอยู่ในความสงบจะเรียกว่าอุเบกขาได้ไหมคะก็อาจจะเป็นอุเบกขาแบบบังคับก่อนคือยังไม่ได้เป็นอุเบกขาแบบธรรมชาติ ถ้าเป็นธรรมชาติแล้วมันจะเฉยๆแต่ถ้าเรายังต้องคอยควบคุมอยู่มันก็ยังเป็นการใช้สติเป็นการยังยังไม่เข้าถึงตัวอุเบกขาจริงเป็นการผลักตัวนี้ให้เข้าสู่อุเบกขาถ้าเราพยายามควบคุมด้วยสติไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิอันนั้นเราถึงจะได้อุเบกขาจริงมันจะต่างกันอุเบกขาแบบบังคับนี่มันก็เหมือนกับ หมือนก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่เราคอยกดมันมันก็พยายามที่จะดันเรามันยังเราบอกอย่าคุยบางทีมันก็ยังอยากจะคุยอะไรทำนองนี้แต่ถ้าเป็นอุเบกขาจริงๆแล้วมันจะรู้สึกเฉยๆจะไม่มีความรู้สึกอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรกับใครแต่ถ้าต้องตอบถ้าใครถามอะไรก็ตอบได้แต่ไม่มีใครถามอะไรก็กไม่ต้องตอบถ้าไม่ต้องตอบไม่ต้องพูดอะไรก็ไม่พูดไม่ตอบ ไม่เดือดร้อนใจจะเย็นสบายอาการแบบนี้เป็นหินทับยาหรือเปล่าครับก็ยังเป็นหินทับยาอยู่เพราะว่าเป็นเพียงเรื่องของสติแล้วถ้าเวลาไปได้ยินได้ฟังอะไรขึ้นมา <ide S 1> ก็อาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาได้เกิด <s ap S 2> ความเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าไม่ต้องการให้เกิดอาการเหล่านี้ก็ต้องมีปัญญาพิจารณาทันทีเหมือนที่เมื่อกี้เองเขาบอกเพราะว่ า, เ, าเขาดา่าเราก็เรื่องของเขา เรามีปัญญาเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะดา่าก็ปล่อยเขาดา่าเขาไปอารมณ์ก็จะไม่เกิดถ้าเกิดอารมณ์ก็แสดงว่ายังเป็นหินทับญ่าอยู่คำถามต่อไปจะทาง facebook ครับจากคุณวีระรบกวนขอสอบถามว่านั่งสมาธิล่าสุดมีอาการคล้ายกับตกหลุมอากาศวูบหนึ่งคะ่ะเมื่อรู้ว่าตกหลุมอากาศแล้วจึงได้กาหนดพุทโธต่อเลยไม่ทราบว่าทาถูกไหมคะ รบกวนขอคำชี้แนะจากพระ อ, อาจารย์ด้วยค่ะถ้าตกลุมรล่มถ้ามันนิ่งไม่ต้องใช้พุโทโธได้ก็ไม่ต้องใช้พุโทโธให้มันนิ่งไปแต่ถ้ามันไม่นิ่งตกลุมแล้วมันก็เริ่มกลับมาคิดต่อก็ต้องใช้พุโทโธต่อไปต้องสังเกตดู ว, ว่าเวลาตกลุมแล้วจิตสงบเฉยๆก็ไม่ต้องพุโทโธแต่ถ้ามันไม่เฉยมันยังคิดอยู่ก็พุโทโธต่อไปคำถา ม, ถามต่อไปจากคุณกวางครับ ถ้าเราต้องเดียวกับงานถ้าเราต้องเดียวงานกับคนที่มีความกลัวหรือวิตกกังวลมากๆเราควรจะแฮนเดิลจิตเราอย่างไงให้สงบหรือควรใช้ปัญญาตัวไหนเจ้าคะถ้าเราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่ก็มีความกลัวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเขากลัวก็เรื่องของเขาเราก็อยา่าเราก็พยายามทำใจของเราเฉยๆเราก็ใช้ปัญญาก็ได้เพื่อไม่ให้เรากลัว คือเราก็ต้องยอมรับ ว, ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดได้เสมอไปกลัวมันก็ไปห้ามสิ่งที่มันจะเกิดไม่ได้อยู่ดีให้เราเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ก็แล้วกันแล้วเราก็จะไม่กลัวเราก็จะเฉยเฉยคำถามต่อไปจากคุณชัยจิรัตครับมีคนบอกว่าถ้าทำบุญร่วมกันจะได้เกิดด้วยกันใช่ไหมครับ ก็เป็นไปได้แต่ต้องทำบุญเท่ากันตลอดเวลาถ้าทำกันไม่เท่ากันไม่พร้อมกันโอกาสที่จะมาเกิดพร้อมกันก็อาจจะไม่ไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราขับรถตามกันสองคันเนี่ยขับก็ต้องให้มันวิ่งเท่ากันความเร็วเท่ากันไปถึงไฟแดงก็ต้องจอดพร้อมกันเวลาออกไฟแดงก็ต้องออกอออเวลาออกจากไฟแดงก็ต้องออกไปพร้อมกัน ถ้ายาี่มันก็ยังไปถึงที่จุดหมายปลายทางที่เดียวกันได้แต่ถ้าความเร็วไม่เท่ากันะแล้วบางทีมาถึงสี่แยกไฟแดงคันหนึ่งติดอีกคันหนึ่งไม่ติดนี่เดี๋ยวก็ตามกันไม่ทันละยั้นถ้าจะทําอะไรคิดถ้าต้องการที่จะไปเกิดไปเจอกันใหม่ในพบหน้าชาติหน้าก็ต้องหมัน่นพยายามทําอะไรพร้อมกันเสมอถ้าจะทําบากก็ต้องทําพร้อมกัน จะกินเหล้าก็นั่งกินเหล้าพร้อมกันเมาพร้อมกันหลับพร้อมกันถ้าคนหนึ่งคนกินเหล้าคนหนึ่งไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ไม่เจอกันละไปคนหลับภพละจากคุณสามเณรพิธิวัตรครับจิตเป็นอนัตตาใช่ไหมครับอ๋อจิตไม่ได้เป็นอนัตตาหรืออัตตา เจ็ดเป็นธาตุรู้คำถามต่อไปจากทางย t u b e นะครับจากคุณธนวดีครับเคยได้ยินมาว่าพระอรหันยังมีอารมณ์โกรธอยู่แต่ไม่ยึดติดขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยค่ะก็แล้วแต่อันนี้อาจจะเป็นวัหานก็ได้ตาจริงพระพุทธเจ้าพระอรหรนันนี่ตัดความโลภโกรธลงไปได้หมดแล้ว ที่ว่ายังมีอยู่แล้วไม่ติดนี่ก็ไม่ทราบว่าเขาพูดถึงหมายความว่าอย่างไรออาจจะเป็นโวหารว่ายังอาจจะมีความโกรธอยู่แต่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของความโกรธนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงเทสอย่างไรก็ขอให้มันเป็นสันติโกก็แล้วกันขอให้ปฏิบัติไปก็แล้วกัน ตอนนี้คำถามหมดครับคำถามหมดแล้วนะ อ, อ, อาเมเดี๋ยวส่งไมโครโฟนมาทางด้านนี้หน่อยพูดใกล้ๆปากหน่อยนะ เ, เปิดปิดไหมดันขึ้นนะคือเมื่อกี้ได้ยินว่าจิตคือธาตุรู้อะค่ะก็อยากจะทราบว่าช่วยอขอท่านอาจารย์ช่วยอธิบาย ความขยายความคาว่าธาตุรู้เรื่องจิตค่ะคือคำว่าธาตุนี้เป็นเพียงแต่ตัวที่จะพูดถึงสิ่งที่เราพูดถึงอยู่ธาตุนี่มันมีทั้งหมดอยู่หกชนิดด้วยกันในในสากลละโลกนี้ในจักรวาลนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้และอากาศจะธาตุ นี่คือส่วนประกอบของจักรวาลดวงดาวโลกมนุษย์ต้นไม้ใบหญ้านี้มีธาตุทั้งหกนีผสมกันบางบางบางอย่างก็มีห ก, บ า, า ก, หกบางอย่างก็มีห้าบางอย่างเช่นพวกต้นไม้ดินน้าพวกต้นไม้ภูเขาของที่ไม่มีชีวิตนี่ก็ของที่ไม่มีวิญญาณก็มีแค่ธาตุสี่ธาตุห้าคือมีดินน้ำลมไฟรวมกัน แล้วก็ตั้งอยู่บนอากาศชาธาตุอากาศชาธาตุก็คืออวกาศพื้นที่ความว่างระหว่างที่ร่างกายของเราอยู่เนี่ยสิ่งที่ขั้นร่างกายเราอยู่นี่เรียกว่าอากาศชาธาตุหรืออวกาศชาธาตุคือความว่างเนื้อที่พื้นที่ดินน้ำลมไฟมันก็ต้องมีพื้นที่เป็นที่ตั้งมีอวกาศชาธาตุเป็นที่ตั้งโลกนี้ดวงดาวดวงอาทิตย์ก็ต้องมีอวกาศชาธาตุเป็นที่ตั้งอยู่ ส่วนโลกนี้ก็จะมีองค์ประกอบอยู่สี่คือดินน้าลมไฟเรามีต้นไม้ภูเขามีน้ำทานมีทะเลทะเลก็เป็นธาตุน้ำภูเขาก็เป็นธาตุดินต้นไม้ก็เป็นการรวมของธาตุดินน้ำลมไฟส่วนมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เป็นการรวมของธาตุห้าคือมีธาตุรูปม า, มารวมด้วยร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ เรามีธาตุรู้คือจิตใจเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจิตใจคือธาตุรู้ผู้รู้ผู้คิดนี้คือคือจิตใจเรียกว่าธาตุรู้มามารวมกับธาตุสี่คือดินน้าล ม, มไฟที่มารวมเป็นเป็นร่างกายขึ้นมาธาตุรู้ก็เลยใช้ใช้ร่างกายสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆแล้วพอร่างกาย นี่ถึงเวลาที่จะต้องแยกออกจากการท่านที่อยู่ในร่างกายต้องการจะแยกออกจากการร่างกายนี้ก็ตายไปในเวลาตายไปร่างกายที่เป็นอยู่นี้ก็จะจางหายไปน้ำก็จะออกจากร่างกายไปไฟก็จะออกไปลมก็จะออกไปเหลืออยู่ก็เพียงแต่ท่าดินที่จะเพื่อที่จะเปื่อยที่จะผุกลายเป็นดินไปหรือถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไป ส่ธาตุรู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ถ้ามีความอยากก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ต่อธาตุรู้ก็คือจิตใจของพวกเราตัวเราเนี่ยคือธาตุรู้เราออกมาจากธาตุเราออกมาจากจิตใจเราออกมาจากความคิดพอเราคิดว่ามีเราเราก็เป็นเราขึ้นมาพอเราหยุดคิดเราก็หายไปเช่นเวลานั่งสมาธิใจสงบใจหยุดคิด ตัวเราก็หายไปก็เลยเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวอันนี้ต้องไปปฏิบัติถึงจะเข้าใจตอนนี้เราไม่เคยเห็นตัวรู้เราเห็นแต่ตัวเราตัวคิดคิดอยู่ตลอดว่าเราเป็นเราเป็นของเราแต่พอเรานั่งสมาธิเราหยุดคิดว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเราก็จะหายไปชั่วคราวเราก็จะเห็นแต่ตัวรู้เหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวตัวที่ไม่ได้คิด แล้วเราก็จะเข้าใจชีวิตของเราดีขึ้นว่าเราเป็นใครกันแนะ่แล้วเราควรจะบำเพ็ญควรจะทําทตัวเราอย่างไรเพื่อให้เราอยู่อย่างไม่กกทุกข์กันทุกวันนี้เราอยู่ทุกข์กันเพราะเราหลงกันคิดว่าเรามีตัวเราเราต้องทําตัวเราให้มีความสุขและการทําตัวเราให้มีความสุขก็ต้องมีคนนั่นคนนี้มาเป็นแฟนเราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรา แต่สิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรามันเป็นของไม่เที่ยงพอได้มาแล้วเดี๋ยวเวลามันเสื่อมรู้จากเราไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่าวิธีที่จะหาความสุขให้กับใจให้กับตัวเราก็คือหยุดหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้อยู่กับความสงบเพราะเวลาสงบแล้วเราก็จะมีความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่ง แล้วทําให้เราไม่ต้องไปมีอะไรต่อไปทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปอขอเข้าใจยัง ค, ค่ะเข้บคุ้นค่ะมีเข้ามาอีกไหมคำถานต่อไปจะทาง facebook นะครับจากคุณอ่องครับขอพระอาจา ร, รย์อธิบายสังโยชน์ข้อแปดคือมานะด้วยครับมานะก็อัตตาตัวตนไงก็ยังถือตัวตอนอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นผ้านาคามีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ละตัวอัตตาตัวตนละร่างกายร่างกายนี้ไม่สงสัยแล้วว่าไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่เเป็นตัวเราของเราแต่ใจเนี่ยตัวรู้นี่ตัวคิดนี่ยังคิดว่ายังมีตัวเราอยู่ยังคิดอยู่ว่ายังมีเราอยู่ยังคิดว่าเราสูงกับคนนั้นเท่ากับคนนี้ต่ำกว่าคนนี้อยู่อันนี้คืออัตตาตัวตนมันก็ยังอย่างที่พูดนะเกิดจากความคิด พอเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบไอ้ตัวอาัตตานี้ก็จะหายไปนีพอมันหายไปเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตัวอัตตาตัวตนนี้มันก็ไม่เทีย่ยมมันไม่ใช่เป็นของจริงเราก็อย่าไปหลงกับมันให้รู้ทันมันว่ามันเป็นเพียงตัวความคิดเท่านั้นเองพอเรารู้แล้วเราก็ไม่ไปถือตัวถือตอนต่อไปเราก็ถือเป็นตัวรู้ไปเฉยๆเจอใครก็ไม่ได้คิดว่าเราสูงกว่าเขาต่กว่าเขารู้เท่าเขา ก็ uhm. ะคะิดว่าเป็นตัวรู้เหมือนกันทุกคนเป็นตัวรู้หมดส่วนสมมุติค่อยก็สมมุติไปสมมุติว่าเป็นนายพลคนนี้เป็นนายพันคนนี้เป็นนายร้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมมุติไปแต่ก็รู้ทันว่าแบ่งสมมุติเหมือนเล่นละครคนที้มาเล่นละครนี่ก็เท่ากันหมดมากินเงินเดือนเหมือนกันมาเล่นละครเป็นลูกจ้าง บางคนก็เขาก็ให้เล่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินบางคนก็าก็เล่นเป็นขอทานก็เล่นไปเงินเดือนก็ได้เท่ากันออันนี้ก็เราก็จะเข้าใจว่าตัวรู้นี่เป็นตัวที่มาเล่นละครเล่นเพราะว่าความหลงไม่รู้ว่ากําลังเล่นละครกันพอเกิดมาเขาก็ตั้งเรามีตำแหน่งต่างๆขึ้นมาเกิดเป็นเกิดเป็นพระเจ้าลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นพระราชารดขึ้นมาเกิดเป็นลูกของขอทานก็เป็นขอทานขึ้นมาอก็ไม่รู้ว่าตัวเอง ตัวที่แท้จริงของตัวเองคืออะไรก็คือตัวรู้นี่ตัวธาตุรู้นี่พอได้ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติทําใจให้สงบก็จะเข้าถึงตัวธาตุรู้นี่เพราะตอนที่สงบตัวสมมุติต่างๆหายไปหมดตัวในพันในร้อยตัวพระเจ้าแผ่นดินตัวขอทานหายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวก็จะรู้ว่าอตัวต่างๆนี่มันเกิดจากความคิดทั้งนั้น เจากความสมมุติแล้วก็จำคิดแล้วก็ออกมาจำว่าเป็นจัางชื่อเราเนี่ยเราชื่ออะไรก็จำอยู่เรื่อยๆพอใครถามชื่ออะไรชื่ออย่า ง, งานั้นชื่ออย่างนี้ทันทีเดี๋ยวถ้าเกิดไปเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อใหม่ได้ต่อไปใครก็ถามชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ได้ชื่อเอแล้วนะเดี๋ยวนี้ชื่อไก่แล้วนะ <pose> ต่อไปก็กลายเป็นไก่ไป <st> <ters> อันนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามความคิดของเราเองตามความจาของเราเองๆๆๆ อัตตามานักก็เหมือนกันเราไปจําว่าเราเป็นนายพนเราเป็นนายพันนายเป็นนายร้อยพอเจอใครเราก็จะคิดว่าฉันเป็นนายร้อยนะเธอเป็นนายสิบเธอต้องตะเบะนะเธอต้องให้ความเคารพฉันอะไรถ้าเธอเป็นนายพันฉันก็จะตะเบะเธออะไรเนี่ก็เป็นความคิดทั้งนั้นพอจิตสงบแล้วความคิดเหล่านี้ก็หายไปก็เหลือแต่ตัวรู้ผู้ที่ใช้ปัญญาพิจารณาก็จะรู้ว่าตัวอมานะนี้เป็น ตัวตัวหลงคิดไปตามความหลงตามสมมุติต่างๆที่เขาสมมุติกันขึ้นมาพอเข้าใจแล้วต่อไปก็จะไม่ยึดไม่ติดกับอ่าฐานะของตนเออจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องมันก็ตัวลูกเหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณแอมครับเกิดตีลูกขึ้นมาแล้วรู้สึกผิดไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทําลงไปดิฉันจะบาปไหมคะ ที่บังคับให้ลูกไปโรงเรียนทั้งที่เขายังเล็กเพราะสมัยนี้เข้าเรียนสามขวบค่ะมันก็ไม่ถึงกับว่าบาปหรอกการตีลูกท่านตีด้วยเหตุผลถ้าตีเพื่อเป็นการสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนเพื่อให้เขาจดเขาจําหรือให้เขาทำในเลิกทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วให้ทําในสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าอย่าทําด้วยอารมณ์เท่านั้นเองถ้าทําด้วยอารมณ์เราก็จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเราทําด้วยเหตุด้วยผลเอ ทำด้วยความไม่อยากจะตีเขาแต่บางทีก็ต้องตีเขาสักหน่อยให้เขารู้ว่าอถ้าไม่ทําถ้าไม่ถูกตีเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าทําแบบนี้มันเกิดความเสียหายก็จะทําต่อไปแล้วต่อไปก็อาจจะเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเช่นไปทาผิดต่อไปอ จ, จะทําไปผิดไปทําผิดกฎหมายเพราะคิดว่าทําแล้วไม่มีโทษตามมาพอไปทําผิดกฎหมายก็อาจจะถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางได้ ถ้าทาา่าตีด้วยการเพื่อเป็นการสั่งสอนนี่ก็ไม่เป็นการไม่การเป็นบาปหรือเป็นอะไรเสียหายแต่ก็ต้องให้มันเหมาะสมกับกับความผิดของเขาไม่ใช่ตีจนกระทั่งเลือดออกอะไรตีด้วยความอารมณ์ยิ่งดือ้อยิ่งตีใหญ่ยิ่งห้ามยิ่งยุอะไรทํานองนี้ถ้าเป็นอารมณ์แล้วเราต้องหยุดอย่าไปทําอะไรตอนนั้นปล่อยเข้าไปก่อนเราให้เราอารมณ์สบาย แบบที่เราคุยกันอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยค่อยมาคุยกันกันด้วยเหตุด้วยผลว่าทําอย่างนี้ไม่ดีนะหนูควรจะไปโรงเรียนนะเพราะว่าหนูไปโรงเรียนนะหนูจะได้มีเพื่อนหนูจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆดีกว่าอยู่บ้านคนเดียวถ้าอาธิบายเข้าด้วยเหตุด้วยผลแล้ว ก, ก็ถ้าก็ยังไม่ยอมไปก็บางทีก็ต้องหาวิวธีหลอกพาไปพาไปฝะไปอยู่กับเขา ไปโรงเรียนกับเขาก่อนพอเพ้แล้วก็หลบกลับบ้านอะไรทำนองนี้ก็ต้องทำไปเพราะเด็กก็ยังไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆดีเท่ากับผู้ใหญ่ถ้าทำด้วยความด้วยเหตุด้วยผลทาด้วยความเมตตาเราจะไม่รู้สึกเสียใจแต่ถ้าเราทำด้วยอารมณ์ทาเพื่อที่จะเอาชนะฉันเป็นแม่เธอเป็นลูกเธอต้องฟังฉันถ้าเธอไม่ฟังฉันฉันจะตีเธออย่างนี้น อันนี้ทำไปแล้วมันก็จะทําให้เราเสียใจได้เพราะเราทำด้วยอารมณ์คําถามต่อไปจะทาง youtube นะครับจากคุณต้นทุนครับพระโสดาบันกว่าจะถึงพระอรหันต์ต้องใช้เวลากี่ปีครับอย่างชาที่สุดอย่างชาที่สุดก็เจดชาตินแต่ถ้าเร็วก็บางทีแค่วันเดียวจากพระโสดาบันก็บางคนแค่มีพระรูปหนึ่งบางันรูุสี่ขั้นเพียงในขณะที่ปลงผมะ อเาบิกนลงศีรษะครั้งแรกก็เป็นโสดาบันพอครั้งที่สองก็เป็นพระสกิดาคามีครั้งที่สามก็เป็นพระอน า, าคามีครั้งที่สี่ก็เป็นพาาาระอรหันต์เลยเพราปัญญาของท่านรวดเร็วท่านพิจารณาสังโยชน์ต่างๆลได้อย่างรวดเร็วอย่างอันนี้ก็แล้วแต่บางคนอย่างพระ รู้สึกพาาระอนุนี้ท่านก็เป็นพระโสดาบันแต่ท่านไปติดภาระรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ถึงยี่สิบกว่าปีก็เลยไม่มีเวลาที่ไปบำเพ็ญไปปิกวิเวกไปปฏิบัติก็รู้สึกเป็นพระโสดาบันอยู่กว่ายี่สิบกว่าปีจนพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็มีเวลาไปปฏิบัติพอปฏิบัติสามเดือนก็บรรลุได้เป็นถึงพาาาระอรหันต์ได้จากพระโสดาบัน พอปฏิบัติจริงๆก็สามเดือนก็บรรลุได้แต่ละคนไม่เหมือนกันช้าเร็วก็อยู่ที่อปัญญาอยู่ที่ความเพียรของแต่ละคนอยู่ที่สภาพแวดล้นอมด้วยว่ามีเวลาว่างเวลาที่จะปฏิบัติได้เต็มที่หรือไม่ลองข้อหนึ่งกันแล้วกันน ะ, ะจากกุณณัตตาครับเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบ พบธาตุรู้แล้วจะพิจารณาอะไรต่อเจ้าคะก็ให้อยู่กับธาตุรู้ไปตอนนี้ตอนที่เจอธาตุรู้นี้ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรให้อยู่กับธาตุรู้ไปเรื่อยๆให้รู้เฉยๆให้ฝึกการรู้เฉยๆไปก่อนให้มีกำลังแล้วพอออกจากสมาธิมาแล้วก็พยายามประคองธาตุรู้นี้การรู้เฉยๆให้อยู่ต่อไป เวลาเห็นอะไรใครก็ดา่าใครก็ชมก็ให้รู้เฉยๆไปใครก็จะทำอะไรดีหรือไม่ดีก็ให้รู้เฉยๆไปถ้าไม่รู้เฉยๆก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนเช่นเขาเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะชมเราเขาจะดา่าเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เราก็จะรู้เฉยๆต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปทำอะไรให้เหนื่อยรู้เฉยๆนี่มันสบายจะตายไป ดีกว่าไปตีกันไปแข่งแย่งชิงดีกันไปทุบตีกัน stroke, ไม่ได้อะไรได้แต่ความเหน็ดเหนื่อยได้แต่เวรแต่กรรมกลับมา stroke, ถ้ารู้เฉยๆแล้วก็จะไม่มีเวรมีกรรมอะไรกับใครใครด่าเราก็ปล่อยก็ด่าไปเราก็รู้เฉยๆว่าเ้าด่าเราเขาด่าเสร็จเขาเมื่อเขาเหนื่อยเขาก็หยุดไปเองแต่เขาทุบตีเราก็ปล่อยเขาทุบตีไปยังกว่าเขาจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเขาก็หยุดทุบตีไปเองะแล้วต่อไปเขาก็จะไม่อยากจะมาตีเราแล้วะ ว่ายิ่งตียิ่งเหนื่อยเจ็บไปเปล่าๆถ้าเราไม่ไปตอบโต้เขาแล้วมันจะไม่ทำให้เขาเกิดอารมณ์ที่อยากจะทำร้ายเราให้หนักขึ้นไปอันนี้คือการหาตัวรู้เมื่อเจอตัวรู้แล้วพยายามอยู่กับตัวรู้อย่าไปอยู่กับตัวอยากอย่าไปอยู่กับตัวคิดเข้าใจหให้รู้เฉยๆอย่าไปอยากอย่าไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ให้รู้เฉยๆแล้วเราจะไม่มีปัญหากับใคร ใจเราจะเย็นจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เช่นร่างกายของเรามันเจ็บก็ให้รู้เฉยๆว่ามันเจ็บมันตายก็ให้รู้เฉยๆว่ามันตายแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บกับความตายอย่างแน่นอนเอาล้วนะนี่ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฝังในวันนี้ไปพิณิชพิจารณาไปปฏิบัติ